พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สตุลาคม 2,556 หมีชื่อเรื่องว่าได้เต่าเสียหมาวันนี้เป็นวันอุโบสถ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 พอจะเก็บสิ่งไหนได้ก็เริ่มเริ่มแต่ก็ไม่หนักใจคือทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะถึงวันแล้วก็เรายังค่อยมาจัดมาทำทีเดียวก็จะเป็นเรื่องที่หนักหนาพอสมควรเพราะว่าวัดของเราก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ละปีคนที่มาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่า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 กรถินผ่านไปแล้วก็คือจบไปแต่ละปี น, นี้ของเราก็เช่นเดียวกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทีเห็นที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสำคัญอะไรมาก น, นี่เป็นสังฆกรรมสำหรับพระสงฆ์ในเรื่องจตุปัจจัยคือปัจจัยสที่พวกเราจะสะแสวง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 คือการนี่ยแหละอยู่ในพิษุคามซึ่มมาแต่ส่วนอุปโภคหรือว่าส่วนจะตินั้นอยู่ข้างนอกอันนี้วัดเราก็ปีนี้ก็คงจะทำอย่างที่องค์หลวงตาพาดำเนินองคตาพาทมพวกเราคงจะรับกระถินข้างนอกกระถินก็เป็นกระถินสามัคคีปีนี้นะแต่ว่างานของเราข้างนอกก็ผมมองมองดูแล้วก็คิดว่า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 เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีพิเศษเมื่องานกฐถินเสร็จนี้พวกเราคงจะได้หยุดนะผมคงจะให้หยุดงานการก่อสร้างไว้ช่วงระดับถึงก่อนเพราะพวกเราคงจะได้ไปนูนะ่นงานศพของหลวงปู่เราจะให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าเพราะงานหลวงปู่จามมหาปุญโจเป็น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 เป็นส่วนหนึ่งของวัดเราเราจะไปห่างเหินไม่ได้จะเปรียบเทียบก็เหมือนกับงานของหลวงตาขนาดนั่นแหละแล้วก็งานของหลวงปู่แต่ก่อนเ็คิดว่าเป็นวันที่สิบปดวันที่ส8บปดมกราห้าเจ็ดคือหลวงปู่ท่านมรณภาพวันที่ส9บแล้วก็งานวันที่สิบป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 ไม่ใช่ว่าพอเราให้ทำการงานออกไปทางการงานแล้วก็ทะเลทลัยถือว่างานเป็ น, นเครื่องอยู่พ้นที่สุดคนนะ่ะอย่างที่พ่อแม่ครูบายจานเจ้างองค์หลวงตาที่ท่านเคยพูดท่านไซสับว่าสร้างศาลาก็ดีโบสก็ดีเจดีย์ก็ดีสร้างห ร, ร, รูหราโออาเมื่อสร้างเสร็จแล้ ว, วนะพระตายจากศีลจากธรรม ตายจากคุณงามความดีตายจากศีลสมาธิปัญญามีแตะกิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจผลที่สุดก็ตายจากเพศสมณะลาสิกขาไปท่านบอกว่านี่แหละเมื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกระดูกของพระเหล่านี้ก็เนั่นน่ะเข้าไปอยู่ในฐานฐานโบสถ์ฐานวิหารฐาน สิ่งก่อสร้างใหญ่โตโหฐานเหล่านั่นแหละนั่นแหละสิ่งเหล่านี้คือสัพที่หลวงตาเคยพูดไว้เราให้นำมาคิดนำมาพิจารณาดูก็แล้วกันถ้าว่าพวกเราปล่อยจิตปล่อยใจมุ่งหวังเพ่งแต่ไปแต่ทางนอกอย่างเดียวโดยไม่ได้เห็นใ น, นจางทุกขังอนาตาไม่ได้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ไม่รู้เท่ารู้ทันในการเป็นอยู่มันเป็นอย่างนั้นจริง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 เป็นพิษภัยอย่า ง, างแรงตามแนวแถวของพ่อแม่ครูป่าจานของพวกเราเพราะนั้นผมเองเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมากท้าว่าการก่อสร้างได้วัตถุจริงอยู่แต่ว่าเสียพระอย่างที่มันเคยผ่านมานะั้นได้เต่าเสียหมาเออมันไม่คุ้มค่ากันเลยเพราะฉนั้นผมต้องระมัดระวังอย่างมากพระของผมผมห่วงสงวนห่วงแหนที่สุดอ่า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 ที่เขาใช้ฉากความบุรณาการให้ดูให้กว้างขวางให้รอบครอบแต่อย่าไปเสียตัวเองทำในจิตใจของเรานะถึงยังไงเขากุนงามความดีของเราในจิตใจนะั้นให้พวกเรารักษาเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มอย่างนั้นแหละรักษากุนงามความดีรักษาศีลสมาธิปัญญาในตัวของเรานะให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มข้นตนเอง